ธรรมบทแปลเรื่องนาคราชชื่อเอรักกับป ต, ตะเรื่องที่ห5 0ภาคที่หเรื่องที่สาในวรรคที่ส4พุทธวคะวันนาพระศา ส, สดาทรงอาศัยนครปรารณสีประทับอยู่ที่โคนไม้ศึกเจดต้นทรงบารอบพระรพยานาค ชื่อเอรักะปัตตะตรัฐรธรรมเทศนานี้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัดจานะชีวิตังกิจฉังสัตรธรรมมัดสวาังกิจโฉพุทธานมุปปาโทแปลว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยากการฟังประสัทธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากตอนอาบัติเล็กน้อยไม่แสดงเสียก่อนให้โทษทราบว่าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการกรพานพญาณาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่ม ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคายึดใบตะไคร้น้ำก่อหนึ่งเมื่อเรือแม้เล่นไปโดยเร็วเขาก็ไม่ได้ปล่อยใบไม้นั้นใบตะไคร้น้ำขาดไปแล้วเขาไม่แสดงอาบัต ด, ด้วยคิดเสียว่านี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยแม้ทำสมณธรรมในป่าสิ้นสองหมื่นปี ในการมรณภาพเป็นประดุดใบตะไคร้น้ำผูกคอแม่อยากจะแสดงอาบัตแต่เมื่อไม่เห็นภิกษุอื่นก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์เขาจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นพญานาคมีร่างกายประมาณเท่าเรือกโกลนเขาได้มีชื่อว่า เอระกะปตตะนั่นแหละในขณนะที่เกิดแล้วนั่นเองพญานาคนั้นแลดูอัตภาพแล้วได้มีความเดือดร้อนว่าก็เราทำสมณธรรมตลอดการชื่อมีประมาณเท่านี้แต่กลับเป็นผู้บังเกิดแล้วในที่มีกบเป็นอาหารในกำเนิดแห่งอะเหตุกาศัตร์ในการต่อมา เขาได้ทิดาคนหนึ่งแพพังพานใหญ่บนหลังน้ำในแม่น้ำโขงคาวางทิดาไว้บนพังพานนั้นให้ฟอนรำขับรองแล้วตอนพญานาคออกอุบายเพื่อทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าสาบาเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราจะได้ยินความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้นด้วย อ, อบายนี้แน่ละผู้ใดนำเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้เราจะให้ทิดากับด้วยนาคพิภพอันใหญ่แก่ผู้นั้นนาคราชวางทิดา น, นไว้บนพังพานในวันอุโบสถทุกขึงเดือน ดิดานั้นยืนฟ้อนอยู่บนพังผ่านนั้นขับเพลงขับนี้ว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนประเสียนอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนผ่านเจ้าชมบูตรวีบทั้งสิน้น พากันมาด้วยหวังว่าเราจะรับเอานางนาคมาณวิกาแล้วจึงแต่งเพลงขับแก่ขับไปโดยกำลังปัญญาของตนของตนนางย่อมห้ามเพลงขับตอบนั้นเมื่อนางยืนอยู่บนพังผ่านทุ ก, กึ่งเดือนขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้นพุทธทันดอนหนึ่งล่วงไปแล้วตอน พระาศาสดาทรงผูกเพลงขับแก่ครั้งนั้นพระาศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูโลกทำเอระกะปตตะนาคราชให้เป็นต้นทรงเห็นมานพชื่ออุตระผู้เข้าไปภายในคายคือพระยานของพระองค์ ทรงไกรกุโรนดูว่าจะมีเหตุอะไรเนอได้ทรงเห็นแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เอระกปะปัตตะนาคราชทำทิดาไว้บนพังพานแล้วให้ฟ้อนอุตรมานพนี้เรียนเอาเพลงขับแก่ที่เราให้แล้วจะเป็นโสดาบันเรียนเอาเพลงขับไปสู่สำนักของนาคราชนั้น นาคราชนั้นฟังเพลงขับแย่นั้นแล้วจะทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นก็จะมาสู่สำนักของเราเมื่อนาคราชนั้นมาแล้วเราจะกล่าวคาถาในสมาคมใหญ่ในการจบคาถาสัตว์ประมาณ 84,000 ันจะตรัสรู้ธรรมดังนี้พระศาสดาจึงเสด็จไปในที่นั้นแล้ว ประทับนั่งนะโคนต้นซึกต้นหนึ่งเดืมดาต้นศึกเจ็ดต้นที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลจากเมืองพระราสีชาวชมบุตรวีพ้พาเอาเพลงขับแก้เพลงขับไปประชุมกันแล้วพระาศาสดาต่อพระเนตรเห็นอุตรมามนบกำลังไปในที่ไม่ไกลจึงตรัสว่าอุตร้อุตรมามนบ พระเจ้าพระสัสดาอุตระเธอจงมานี่ก่อนในที่นั้นอุตรามานุปนั้นมาถวายบังคมนั่งลงแล้วพระาศาสดาจึงถามว่าอุตระเธอจะไปไหนอุตรามานุปจะไปยังที่ที่ทิดาของเอระกะปะตะนาคราชกับเพลงพระเจ้าอุตระเขเธอรู้เพลงขับ แก่เพลงขับอย่างนั้นหรือข้าพ ร, ระองค์ทราบพระเจ้าข้าเธอจงกล่าวเพลงขับนั้นดูอุตระในที่นั้นพระาศาสดาตรัสกับอุตรามานบผู้กล่าวตามธรรมดาความรู้ของตนเท่านั้นว่าอุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับแก่เราจะให้เพลงขับแก่แก่เธอเธอต้องเรียนเพลงขับแก่นั้นให้ได้ สาธุประชะาตอนอุตรมามนบเรียนเพลงแก่จากพระาศาสดาในที่นั้นพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าอุตรในการที่นางนาคมาณวิกากับเพลงเธอพึงขับเพลงแก่นี้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวานทั้งหกชื่อว่าเป็นพระราชา พระราชาผู้กำนัดอยู่ชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากทุลีผู้กำนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพานก็เพลงขับของนางนาคมาณวิกามีคำอธิบายว่าคำว่ากิงสุอธิปตีราชาหมายความว่า ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาคําที่ว่ากิงสุราชาระชัสิโรหมายความว่าอย่างไรพระราชาย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรคําว่ากะถังสุหมายความว่าอย่างไรกันเอย่ยพระราชานั้นเป็นผู้ชื่อว่าปราศจากทุลี ส่วนเพลงขับแก้มีคําอธิบายว่าคําที่ว่าฉันวาราธิปตีราชาหมายความว่าผู้ใดเป็นผู้ใหญ่แห่งทบาลทั้งหกอานารมณ์ทั้งหกมีรูปเป็นต้นกราบเงาไม่ได้แม้ในทบาลหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าเป็นราชาข้อที่ว่าราชามาโนราชาศิโรหมายความว่า ก็พระราชาใดกำนัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นพระราชาผู้กำนัดอยู่นั้นชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรคาว่าอรชังหมายความว่าส่วนพระราชาผู้ไม่กำนัดอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากทุลีคำว่าระชังหมายความว่าพระราชาผู้กำนัดอยู่ท่านเรียกว่า เป็นคน่านพระศ า, าสดาครั้นประธานเพลงขับแก้แก่อุตรมาดบนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าอุตระเมื่อเธอกับเพลงขับนี้นางนาคมาณวิกาจะขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธออย่างนี้ว่าคนผ่านอันอะไรเอย่ยย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบันเทาอย่างไร อย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราในที่นั้นเธอพึงขับเพลงขับแก่นี้แก่นางว่าคนผ่านอันห่วงน้ำคือกามโอคะย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบันเทาโอค้านั้นเสียด้วยความเพียร บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะตั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะก็ในเพลงขับแก้นั้นมีเนื้อความอย่างนี้ว่าคนพานอันโอคะกิเลส ด, ดุดห่วงน้ําทั้งสี่อย่างมีโอคะคือกามเป็นต้นย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นด้วยความเพียร กล่าวคือสำ ม, มัปปธานความเพียรอันตั้งไว้ชอบบัณฑิตนั้นไม่ประกอบด้วยโยคะตั้งปวงมีโยคะคือการเป็นต้นท่านเรียกชื่อว่าผู้มีความเกษมจากโยคะกุตระมาณพเมื่อเรียนเพลงขับแก่นี้เที่ยวน้ำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเขาเป็นโสดาบัน เรียนเอากาตานั้นไปแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญฉันนําเพลงขับแก้เพลงขับมาแล้วพวกท่านจงให้โอกาสแก่ฉันได้คุกเข่าไปในท่ามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยู่แล้วนางนาคมาณวิกายืนฟ้อนอยู่บนพังผ่านกองบิดาแล้วขับเพลงขับว่า ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าเป็นพระราชาเป็นตน้นอุตรามานพจึงขับเพลงแก่ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้งหกชื่อว่าเป็นพระราชาเป็นอาทินางนาคมาในวิกาจึงขับเพลงโต้แก่อุตรามานพนั้นอีกว่าคนพานอันอะไรเอย่ยย่อมพัดไปเป็นตน้น ในที่นั้นอุตรามาน์เมื่อจะขับเพลงแก่แก่นางจึงกล่าวคาถานี้ว่าคนพานอันห่วงน้ำย่อมพัดไปดังนี้เป็นตน้นตอนนาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนาคราชพอฟังคาถานั้นทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ดีใจว่า เราไม่เคยได้ฟังชื่อบทเห็นปา น, นี้ตลอดพุทธันดรนหนึ่งผู้เจริญพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วหนอจึงเอาหางฟาดน้ำากลื่อนใหญ่เกิดขึ้นแล้วฟังทั้งสองพังลงแล้วบวกมนุษย์ในที่ประมาณหนึ่งอุสภหนึ่งแต่ฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้นจมลงไปในน้ำนากรานนั้น ยกมหาชนมีประมาณเท่านั้นวางไว้บนบังผ่านแล้วตั้งไว้บนบกนาคราชนั้นได้เข้าไปหาอุตรมามนบแล้วถามว่าแน่นายพระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอุตระประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งมหาราต น, นั้นกล่าวว่ามาเถิดนายพวกเราจะพากันไป แล้วได้ไปกับอุตรามานพฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกันนากราชนั้นไปถึงเข้าไปสู่ระหว่างพระรัศมีมีวันนะหกถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้ยืนร้องไห้ยอยู่ลำดับนั้นพระาศาสดาตราสกับนากราชนั้นว่านี่อะไรการมหาปิษนากราช พระเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ทำสมณธรรมสิ้นสองหมื่นปีแม้สมณธรรมนั้นก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์อาศัยเหตุสักว่าให้ใบตใคร้น้ำขาดไปมีประมาณเล็กน้อยได้ถือปฏิสนธิในอาเหตุตุกสัตริย์ เกิดในที่ที่ต้องเลือ้อยไปด้วยอกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพูดเช่นกับด้วยพระองค์ตลอดพุทธันดรหนึ่งพระ ศ, า, ศ า, สาสดาส่งสับถ้อยคํกของนาคราชนั้นแล้วจึงตรัสว่ามาบพิษชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนักการฟังพระสัจธรรม ก็อย่างนั้นการอุบติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้บุคลย่อมได้โดยลำบากยากเย็นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระกถานี้ว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก การฟังพระสัตธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากบาลีว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัตธรรมมัสสวะนังกิจโฉพุทธานมุปปาโท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 แล้วสืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิตบ้างเพราะชีวิตเป็นกองน้อยบ้างแม้การฟังพระสัทธรรมก็เป็นการยากเพราะบุคคลผู้แสดงธรรมหาได้ยากในกับแม้มีช่่ยน้อยนี้อนหนึง่งการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธชาตาทั้งหลายก็เป็นการยากเหมือนกันคือได้ยากยิ่งนักเพราะอภินิหาร สำเร็จด้วยความพยายามมากและเพราะการดุบัติขึ้นแห่งท่านผู้มีอภินิหาร่ันสำเร็จแล้วเป็นการได้โดยยากด้วยพันแห่งโกรธกับแม้ไม่ใช่น้อยตอนนากราชไม่บรรลุโซดาบันในการจบเทศนาเราสัตว์แปด0มืนสี่พันได้ตรัสรู้ทำแล้ว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 กับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและการจุติที่พวกนาคถือเอาสรีระแห่งนาคนั่นแหละแล้วลำบากอยู่ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมานพนั่นแหละดังนี้เรื่องนาคราชชื่อเอระกะปัตตะ